ประบัติจดนั่งปฏิบัติธรมการสิ่งวัดร้อนตอนนี้ก็กิจกรรมเปลี่ยนไปบ้างบำเน็นก็ยุติการบทเรีนภาคฤดูร้อนก็จบลงคอร์สประจำเดือนก็จบลงวันนี้ ที่ทั้งหมดปัจจัยสเราก็จะได้ใช้เป็นความสะดวกแต่างทีเราปฏิบัติไปกับสิ่งแวดล้อมทีมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่าเหตุปัจจัยเราไม่ได้ร้องขออยู่กับรออยู่กับชุมชน เยคนสงคนขึ้นไปก็มีลายคิดต่างความคิดแง่คิดมุมมองประสบการณ์คุณวุฒิวยญวุฒิต่างกาันเราได้ใช้เป็นตัวปัญญาทั้งหมดเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกแท้ มันจะเผลอไปทางตามจะหลงไปทางหูเราปรับเปลี่ยนกลับมาเป็นความรู้สึกเบื้องต้นกับการเคลื่อนกันไหวของกายเนี่ยแหละหยาบสุดชัดสุดเป็นหลักใหม่ๆเราปฏิบัติแล้วก็ใช้การเคลื่อนการไหวภาวะผู้ดู น, น้อยๆกะดูอการของหยาจากที่มันไหวไปก่อน ในความความรู้สึกกายเปล่าเนียนเป้าที่หยาบแล้วก็บริสุทธิ์ดีชัดๆตรงๆซื่อๆแต่ว่าธรรมดาของผู้ใหม่ที่หัดฝึกก็ต้องมีประสบการณ์มีอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆให้จิตของเรา แก่กล้าสติอินทรีย์แก่กล้าก็จะมีอุปจรกบ้างแต่จริงๆมันคือสภาพธรรมาชาติเป็นอาการเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้ปฏิบัติก็ต้องผ่านความง่วงบ้างเจ็บปวดเมื่อยบ้างมันมีชื่อเรียกอาการง่วงก็เรียนิวรธรรมเจ็บปวดเมื่อยก็เรี ว, วิทนา ความคิดเวลาสังขารวเวลาเผลอเข้าไปยึดเรีวาอุปาทานเกิดความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบจะผลักเจ้าเข้ามาแล้วตันหาก็เป็นประสบ ก, การณ์ที่ดีไม่ได้เผอถือว่าทำผิดทำาลาดอย่างไรบางทีเราฝากบ้านก็จะ เจอฝุ่นทำให้ฟุ้งบ้างบางทีเขกวาดตาัวลมลมก็ผันผวนแปรปวนมันก็ออจะสะอาดร0 0เซ็น์มันก็ไม่ใช่จะกรองน้ำดื่มใส่กรองเลิบไปหน่อยน้ำเข้าสะอาดน้ำออกสกปรกก็เป็นไปได้จาบน้ำให้สะอาดแล้วก็น้ำเป็นตะกรนเป็นสนิมมีกลิ่นเหม็น ก่อนอาบแล้วก็สะอาดดีว่าอาบเข้าไปก็เหม็นทุกกระปกหนกวกหูเก่าอันนี้ก็เป็นไปได้พยายามจะขับรถให้ถึงจดหมายปลายทางมันไปสู่ความตายก็เป็นไปได้ธรรมดาคนขับรถไปเป็นนี่หลุมมากมายเยอะเป็นพิเศษหลุมคันเร่งผู้โดยสารก็เหนื่อยงาให้หลังหลุมเบรค เบรกแรงเกินก็หัวทิ่มหลุมพวงมาลยสบัดซ้ายสบัดขวาใช้ความเร็วสูงจะหลุดโค้งเสียวก็ไม่แปลกตรงไหนนเป็นเรื่องของคนที่กำลังหาประสบการณ์ดับไปไปลุกมากขึ้นแต่ที่จะตบระดับก็กลายเป็นหลายกอง หลอกปอกเปิดทั้งตัวเวลาหัดขี่จักรยานใหม่ๆนี่แลละมันคือรดชาติประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันลมลุกงุการเมื่อยแขนเมื่อยคอเมื่อยหลังปวดขาปวดแข้งพวงซ่านเบื่อซิงร้อนรุ่มเวลาปฏิบัต ก่อนที่มันจะเย็นก็ร้อนหน่อยมันที่มันร้อนด้วยกันตีด้วยทบะกันตีปรำมังตะปูติติการันตีคือความอดกลัน้นมันเป็นทำเครื่องเผาเผาก็ร้อนอะนะแต่มันเผาไอ้ที่ว่าร้อนนะคือกิเลมันร้อนมันไม่ใช่ตัวสติตัวปัญญาเราก็เห็นละอ่ะอาการของกายอาการของจิต มันก็เป็นอาการที่ขี้เกียจก็พาทำก็ยันก็พาทําไม่ให้ขยันพาทําขี้เกียจพาหยุดขี้เกียจก็ทำก็ยันก็ทําเกินชื่อว่าลง ม, มือทําต่อนเนื่องเชื่อมโยงถูกต้องก็มีผลไม่มากก็น้อยละปัญญามันเกิดจะเป็นลักษนา ย, ยัางไง ของเก่าเราชอบเผอลงไปในความคิดหลงเข้าไปในความคิดมันเกิดปัญหามันเป็นยังไงปัญหาที่เกิดจากตัวคิดคิดอดีตเป็นสุขเก่าดีเป็นทุกข์คิดแล้วก็ดีใจคิดแล้วเสียใจคิดแล้วหลอกคิดแล้วก็กอดคิดแล้วหลงคิดแล้วรักคิดแล้วช่างเป็นสุขเป็นทุกข์ในความคิดเป็นพบเป็นชาติในความคิดเราก็ปัญญาเบื้องต้นก็ถอยออกมาก่อนรู้สึกตัว การเคลื่อนกันไหวที่ตัวรู้สึกตัวนะไม่ใช่อยู่รู้สึกตัวถุกกล้งรู้เป็นก็คือล้วนจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุ ด, จดนะรู้เป็นไหวนิ่งเคลื่อนหยุดนะทําเป็น mm hmm. ว่าจะมีการรู้แล้วก็วางไปนในตัวเป็นจัดฝึกรู้แล้วก็ฝึกวางด้วยฝึกรู้แล้วก็ฝึกละด้วย ก็จะเริ่มเป็นปัญญาเบื้องต้นไปในตัวรู้มากๆกนจะเป็นยังไงก็เหมือนเอาน้ำดีไปไล่น้ำเสียไม่ต้องไปตักน้ำเสียไม่ต้องแก้ทุกข์ไม่ต้องผักใส่ความทุกข์แต่เพียงการเออเอาความรู้ตัวเติมก็ไปน้ำดีแย่ใส่ลงไปมันก็จะค่อยไหลลินออกมา สิ่งสโครบบนทินเครื่องเศ้ามองในจิตในใจของเราเหมือนกับไฟไหม้ปั๊บก็นอนที่สุดลหล ะ, ะต้นไมใ้ใหญ่ๆถูกตัดทิ้งไปก็นแน่นอนที่สุดแหล ะ, ะยาคงต้องขึ้นแสงพระอาทิตย์ส่องลงมาที่ผิวดิ น, นพอจ้องมีปรากฏการณ์หญ้าเล็กๆขึ้นมาวัชพืชมนุษย์มองเป็นวัชพืช จ, จริงๆมันก็คือธรรมชาติที่เป็นประโยชน์นั่นแหละ มันช่วยปรับสมดุลมีแมลงมี ม, ม, มดนะก็ ป, ป, รกดประโยชน์ไปรักอาศัเมื่อได้ทาประโยชน์ต่อมาก็คือเราสังเกตแต่ว่าพอว่าจะเพิ่มขึ้นมนุษยันไ ม, ม่เกี่ยวข้องอะไรเลยปรเดี๋ยวก็จะมีพวกยาคาขึ้นยาคาี้ทน ยาชนิดอื่นเราจะเพื่อชนิดหน่นจะหายไปสู่ระบบรากของยาคาไม่ได้พอยาคาขึ้นหนักๆเข้าก็มีพวกหนูพวกตุนพวกจารเลืคันเข้าไปอยู่ได้ทำประโยชน์อีกแต่ว่า ของต้นสาบเสือเกิดขึ้นมายาคากหายไปต้นกล้วยขึ้นมาแทนสาบเสือก็หายตานานๆเข้าแทนที่จะเป็นต้นกล้วยก็เป็นต้นไผ่ขึ้นมาต้นกล้วยก็หายไปมานานเข้าต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาศึกษาราสิ่งนําเม็ดพันธุ์พืชมาต้นไม้ใหญ่ต้นโพต้นไซตต้น อย่างต้นประดูต้นเตงต้อนลังต้นไผ่ก็หายาาหไปอย่างนีน้เหมือนก็จะเป็นอย่างนี้เองเวลาเราฝึกความรู้สึกตัวระบบของธรรมะระบบของคุณธรรมต่างๆพอมีตัวรู้มีตัวสตินะมันก็มาเป็นยาวเหยียดบางเยียดนั้นเปรียบเทียบมาเป็นพวงพวงมันมาจนให้เราเลือกนะ ที่จะหยิบม า, มาใช้เป็นประโยชน์ทีเดียวความอดทนก็มาความเมตตาก็มาความลายก็มาการรู้จักหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสรรพสัตว์สรรสิ่งในธรรมะนะต่างๆมันก็มากุศลกุศลมันก็มาเราจัดระเบียบ กุศล ถ, ถูกจัดระเบียวก็เป็นกุศลกุศลถูกเก็บไว้ใช้เกิดความดีความงามหน้าที่ต่างๆมันก็จะเป็นไปเองเราไม่ได้คิดว่าจะต้องฝึกตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งเพียงแค่รู้สึกตัวรู้สึกตัวหรือจะฝึกตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้เช่นเลือกวันนี้เราจะซดกับความง่วงอย่างเดียวเลยเลือกได้ จะลองศึกษาความง่วงมันตัวเดียวนี่แหละทาไมมันมายังไงเวลาเริ่มต้นมันมาทุกทีแล้วมาแล้วก็ง่วงไม่เห็นมันง่วงอย่างเดียวนะการมีปัญญาเนี่ยหลายคนเอาไปพูดกันโก้โ ก, กนะเพราะว่าพูดดูโดยที่ไม่ต้องไปแจกแซงไม่ต้องไปทำอะไรมันจริงนะั้ยถ้าจริงอะ ห, หิวข้าวมันต้องไปกินข้าวหรอกถ้าจริงอะ ตัวอยู่มันคือทุกของกายมันก็มีปัญญาก็โยวข้องผ่อนกายบันเทาแก้ไขมันไม่ใช่ว่าจะรู้เฉยเฉยนะมันไม่งอมืองอเท้าหรอกรนะัวร้อนมันก็ต้องมีสตินะไปอาบน้าอาบท้าเช็ดเนื้อใช้ตัวมันจะปล่อยเริงเหนียวเหนอะอย่างต่ำแยก็คือผ่อนกายบรรเทาแก้ไขให้กับมันนะนั่งเปดิดปวดไม่เมื่อยมันก็ต้องเปลี่ยนนะั่นแหละ มีสติการเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มตะบะไปนิดหนึ่งหานาทีสิบนาทีอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ ง, องสอนตนท้ายสุดก็กลายเป็นอินจีแก่กล้กาขึ้นมากลายเป็นความสุขตัวที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงนะครับเห็นรายละเอียดลึกรวมละเอียดประณีตลงไปแยกกาย เล่าจิตคิดใหม่ๆมันคือตัวละเอียดแต่ก็ยากพอสัมผัสรับรู้นานๆานก็มันเป็นความรู้สึกตัวที่ชัดแต่เห็นความคิดคือได้หลักของวิปัสสนาได้หลักของกรรมฐานแต่รู้รูป ร, รู้นามเพียงเข้ากระแสแค่เพียงเข้ากระแสภาวะของสติปัฏฐาน เตือนเตือนรู้เมื่ออยู่ในอำนาจของวิปัสสนาวิปัสสน์เป็นอาการที่บอกถึงอาการเบื้องต้นของวิปัสนาอ่อนๆที่มาเริ่มเกิดขึ้นมาจะ ม, มีจิตคิดนคิดที่จะประคับประคองคิดที่จะปรับความเป็นกลางก็คือมันจะไม่เป็นกลางมันก็คิดหาคิดรู้ะ หรือว่ามันรู้แน่นนะกำกับโดยมิจตนา <Yeah. S 1> เจตนาจึงนะเป็นอาการของการประคับประคองนะเป็นตัววิปัสสนู <Yeah. S 1> แต่ก็จําเป็นเพราะไม่มีวิปัสสนู <Yeah. S 2> ก็ไม่มีวิปัสสลามันต้องเห็นอาการของวิปัสสนเกิดขึ้นนะ <Yeah. S 2> แล้วก็คือตัวความคิดจิตที่มันคิดดีๆ คิดแล้วเกิดปีติปีติก็จึงเป็นวิปัสสโนเกิดจากตัวคิดด้วยนะคิดเป็นบุญนะมันก็จะเกิดปีตนะิอย่างนี้นะ ถ, ถ้าเป็นตัวปัญญามันจะรู้ซื่อนะถึงมันคิดมันก็รู้ทันความคิดแล้เป็นเพียงแค่อาการนะมันจะไม่แยกแยะว่านี่คือบุญนี่คือบาปนะมันเห็นเป็นอาการปรมัตถสภาวะอย่นะีวิปัสสนาจะแสดงฤทธ แสดงถึงคุณภาพประสิทธิภาพทำให้เรารู้สึกว่าเออการสํารวมตัวจริงก็อยู่ตรงนี้แหละนะพอตุ ก, กังที่เรารู้มันก็คือการสํารวมของจิตที่มันก็ไม่แสบใส่ไม่สัดใส่นะไม่พุ่งไม่เพง่งไม่เผลอทะยานอยากนะไปจมไปแช่นะว่าตัว ก, กรมคุณเหมือ น, นที่เราเคยเป็นมันก็จะกลับมาปรับมาสู่สมดุล มารู้แต่ร้อนใครมันจะไปร้อนทำไมก็ถอนตัวกลับมาอันนี้ก็คือละทันทีเป็นอาการที่ละทันทีมันจะเกิดความเป็นเองขึ้นมาเป็นแดนงานงานกรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานก็เป็นแดนของปกติทำจิตจะมีปกติทำ แล้วก็จะคล่องตัวในการใช้งานอยู่ในตะวาลทั้งหตาหูจมูกเหนกายใจมันจะว่องไวนี่ก็คือปัญญาเห็นการเกิดดับก็อาการต่างๆชัดเจนมากอาการต่างๆที่ว่าคือตัวคิดมันเกิดขึ้นของมันมันมีหลักมีแหล่งมันมีภพมีภูมิ วิปัสนาภูมิมันก็มีพบมีภูมิเหมือนกันมันคือการเดินทางมันเป็นญานขนาดใจยานญานของปัญญาวิปัสนาญาณสติเป็นญาข น, น, น, นส่งปัญญามาให้ทันตการาเทสาถานะส า, านะทํางานอย่างไรตัวไรตนมานาทิติอัตตาไ ม, ม่มีเพราะมันคือความรู้สึกตัว ้าการรู้สึกตัวจึเป็นปกติธรรมมันไม่ใช่าการนิ่งตัวแข็งไม่ใช่มันเป็นการนิ่งตื่นรูนะ้พร้อมที่จะทำหน้าที่การคิดการพูดการทําพร้อมนะมันก็จะอยู่นะกับบุคคลหนึ่งสอสามตหนึ่งสอสหน้าที่การงานต่างๆสถ า, านที่ต่างๆเป็นกรรฐานทัง้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนสถานที่ใดบุคคลตรงไหนสิตัวตรงไห น, นมันก็คือกายคือใจรูปธรรมนามธรรมมันก็นอย่างนึงนั้นสพัสพสัตสวพสิ่งมันก็คือความรู้สึกตัวที่ตัวเราเนี่แหละตาเราดูเป็นความรู้สึกตัวหูฟังเสียงเป็นความรู้สึกตัวจมูกได้กลิ่นก็คือความรู้สึกตัวจมูกได้กลิ่น จริงๆมันเป็นความรู้สึกตัวได้ยังไงเราก็จะเข้าใจอ่ะท่าสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวชัดเจนนะทวารต่างๆขณะนี้มันมีผัสสะเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกทั้งหมดเลยไม่ต้องมโนทวารก็ตามจิตคิดปั๊บมันก็เป็นความรู้สึกทุกครั้งที่คิดมันก็เกิดการสัมผัสระหว่างรูปนามนามรูปมันมีสติมันก็ลึกลอยอยู่มันเป็นความรู้สึก มาระ ล, ลึกรู้ความรู้สึกของแต่ต้นที่เราฝึกกันเกินกันไหลองค์กายตั้งแต่หัวจะลดเท้ารูต้ตัวตัวพร้อมรู้ตัวสลบอางกายตัวชีวิตทําไมมันจะไม่รู้จิตมันใช้อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เสียงกลิ่นรสโปรตผาธรรมารมณ์การสวยอารมณ์กระทบสบบบบัมผัสบวกๆลบๆเป็นความรู้สึกทั้งหมดบุญบาปเป็นความรู้สึกทั้งหมด มันก็เลยทำเรื่องเดียวได้หลายเรื่องทำเรื่องเดียวคือรู้สึกเ่ินไหวอย่างเดียวท้ายสุดกลายเป็นอะไรมากมายแล้เกินกณธรรมต่างๆแล้วมันจะให้สงสัยได้ยังไงมันก็ต้องหายสงสัยหลวงพ่อเขียนจึงชอบเทศว่าวิปัสสนาเนี่ยเหมือนกับบางอ้อถึงบางอ้อ มันไม่สงสัยเห็นใหม่ๆ ม, มาอาจจะตื่นตาตื่นใจนิดนึ่งแต่ลองเห็นซ้าๆเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากเลยการเห็นความคิดรู้ทันความคิดรู้ว่าอยู่ความคิดตรงนี้เราได้สัมผัสแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามบางทีหลายคนรู้ว่าเราเอง ขณะที่อยู่ใจชีวิตจริงๆมันก็เป็นวิปัสสนาในน้อยอยู่แล้วบางทีมันช่วยเราอยู่ท่านรู้ท่านว่างนช่วยเรามากสติปัญญาเนี่ยช่วยเรามากศินธรรมเนี่ยช่วยเรามากก็ทําให้เรามานั่งอยู่ที่นี่แหล ะ, ะบุญพามาสินธรรมมันชวนมาใ น, ะนะขณะที่เรามีความรู้สึกตัวโดยที่เราไม่รู้นี่คือวิปัสสนานั่งอยู่เฉยๆเคยไหม สุข ก, ก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์นั่งสั่นขาจั่นเท้าเล่นเกยไหมเรารู้สึกเฉยเฉยที่ก็นั่งก็มือเล่นถัเล่นเล่นรู้สึกเฉยเฉยไปไหนก็มีอะไรชวนไปสนุกสนานแล้วก็เฉยเฉยทุกข์ใช่ไหมมีปัญหาใช่ไหมจึงไม่ออกไปก็เปล่ารู้สึกมันก็สบายดี หลังจากทำงานปราบตามมามากเราก็อยู่เฉยๆสบายดีในยุคต้นๆเราก็ปัตตนาสุขรักสุขเกียดทุกข์เร า, าก็ไขว่คว้าแตนี้สมบัติประการชมมือใครยาวสาวได้สาวเอาคนมีปัญามากเอาเปรียบคนมีปัญญาน้อยเอาเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้แหละไม่แปลกคนฉลาด ก็ยอมหรือว่าเปรียบคนโง่อวาวได้หรือว่าใช้เป็นฆ่าทาศบริวารมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้เราไปกว่ามาจนเอียนวัดฑูตนิยมบริพภคนิยมฑูนนิยมว่าหน้านิยมเอีย น, นก็แค่นั้นเองถ้ายสวนมันก็บอกไม่ใช่ และอะไรอะไรสนทนาการเะนั้นหรืออยู่คนเดียวจะนั้นหรือหลบอารมณ์เะนั้นหรือเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บกดนะกบเกลือนว้างไปอยู่ป่าอยู่กธรรมชาติรราสัตว์สัาสิงบางคนก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคุยกันรู้เรื่องด้วยนะคุยกับคนไม่รู้เรื่องคุยกับหมารู้เรื่องนะมันก็ว่าเป็นความสุขแบบนั้นไป ลองเรือสำรานเรนะือใบไล่ขึ้นเรือเครื่องร่อนกลางอากาศไนะต่เตื้ลขาวเอเลดนะสองล้านรู ป, ปีแล้วก็พาตัวเองไม่ตายก็เยอะ mm hmm. คิดว่าจะเป็นความสุข mm hmm. หาเครื่องเล่นเล่าใจห mm hmm. วาดเสียวดูหนังผีกลัวรู้สึกมีความสุข mm hmm. เราก็เห็นโลกเขาทำกันอย่างนั้น mm hmm. เราก็เคยทาอย่างนั้น แต่มันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบมันไม่สามารถที่จ ะ, <c oughs> จะเฉลยโจทย์ที่ความทุกขยิบยยื่นให้เป็นคำถามเกิดมาทำไมทำงานเพื่ออะไรมีเงินไปทำไมเที่ยวไปทำไมหาบุคคลหนึ่งสหาเพื่อนไปทำไมเล่นเฟซบุ๊กทำไมเล่นอินเทอร์เน็ตทำไม อยูไ่ไปเพื่ออะไรนี่มีอยู่คนนะหลานลงตะกรมอายุมัณยี่สิบกว่ากว่ายิบเจ็ดเป็นอะไรขายเครื่องมือแพทย์ขายยาขายอะไรสักอย่างจะมองนี่แหละค่าตัวตายของตะกรมหายไปเป็นงานศพหลานสาวก็เคยมาปปิดทำอยู่ที่นี่นะดอิดทำแล้วไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราจะ ปิ้งเก้มาเอาตัวรอดได้ทุกคนนะเป็นเรื่องปัญญาเรียนแต่วิชาดูๆว่าง่ายนะเป็นวิชาที่ชอบเบื้องต้นท้ายสุดก็เรียนไาเจบก็เยอะชั้นใดก็เดีนะปฏิบัติตามก็เจอว่าคนที่ค่าตัวตายเน่หลงหลงก็ไปนในความคิดจนความคิดมันสั่งงานสั่งการเอายามากินอาเชือกมาผูกคอ พอเปิมายิงหัวตัวเองโดดน้ําตายโดดตึกตายโดดให้รถชนตายรถไปทับขาดสองตนสามตนเป็น่ารเป็นการมากมาแล้วนี่แหละก็คือปฏิบัติแล้วไม่รู้จักความคิดของตัวเองคิดหลอกคิดหลงคิดแล้วคิดจังคิดแล้วบาดผวาคนหัวลุกกลัวอันนี้ต้องกลับมารู้สึกตัวเท่านั้นแก้กันได้โย ถ้าถ้าหลงเข้าไปในความคิดจัยังไม่รู้ละเอียดนก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้ามีการพัฒนาอยากกลางเดี๋ยวก็ไปหาละเอียดฉันได้ความกลัวนี่ละเอียดนิดนึความกลัวความโลภนี่ยละเอียดหน่อยมัดจุมานมันกลวงความกลัวอยู่เสมอแต่ความรู้สึกตัวทิมชัดมันก็สามารถจะผ่านได้กลัวจห้กลัวกลัวจนเลิกกลัวเอาความกลัวการบรรลธรรม เราปฏิบัติไปก็สามารถที่จะทำได้มันมีอยู่ความเป็นปกติเนะีมันก็เป็นตัววัดวัดอารมณ์ของเราอยู่ตลอดเวลาบวกลบหรือว่าประคองความเป็นปกติหรือว่าคิดว่ากปกติเนี่ยจะบอกอยู่นะเพราะนั้นตรงนี้มันก็คือการที่เรามีความสุข ก, กระสสารเม่เห็นโลกตามความเป็นจริง จากสมะถะยกจิตขึ้นมาเป็นวิปัสสนามีสติแล้วแลวอยู่มีสติแล้วแลวอยู่กายเนาจิตดำอาการไหนมาแสดงออกตามเหตุปจัจจัยเราก็รู้ซะไม่เลือกดังนั้นคนไหนจะมาเจอเราก็ไม่เป็นไรสัตว์ตัวไหนจะมาเจอเราก็ไม่เป็นไรเวลาไหนเวลาไหนใครจะไปใครจะมาก็ไม่เป็นไร อย่างบทเนนวันแรกๆวันนึวันต้นๆก็วุ่นวายเนนก็จางั้นเน่นก็ยางนีจะล้องไห้กลับบ้านมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ตายสูดนึงก็หายไปหมดแล้วอ้อไม่หดนั้นเหลืออย่นี้ลุ่มเนี่ีเนี่แหละคือบรรยากาศของจริงที่นี่จึงเป็นหมาอะไรชีวิตมีอารมณ์ต่างๆผ่านไปจรมา เกิดดับเกิดดับทางไปนอกแล้วายในเป็นอย่างนี้มานานแล้วถ้าคนรู้จักสุขโตจริงๆก็จะรู้ว่าโอ้มันคือมหาลัยชีวิตระดับอุดนศึกษาทีเดียวไม่ต้องตีกรอบไม่ต้องวางกฎวางระเบียบระบาที่นี่ไม่เห็นเลยกฎระเบียบติดอยู่ตรงไหนบ้างนะนะมีนิดๆนคนรุ่นหลังมาทำกันเล็กๆน้อยๆไปจริงๆเดิมทีไม่มี ไม่มีเลยเรื่องกฎระเบียบพอถือว่าทุกคนมานั่งอยู่่นี้เป็นปัญญาชนได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากแล้วนะเรียนรู้มาระดับคุณธรรมยุทธธรรมศีลธรรมเคยทำหน้าที่คุณงามความดีให้กับประเทศชาติหน้าที่การงานสังคมครอบครัวกับตัวเองนะพอมาถึงที่นี่ทุกคนเคลื่อนมือยกมือได้นั่นแหละตรงนี้แหลนะมันกาลังเรียกว่า พัฒนาสู่จุดสุดยอดเลยว่าบอกเลยเห็นใครยกมือเคลื่อนแล้วก็ยกได้ทั้งวันเฉยๆยกโป้งให้เลยส่วนใหญ่ทําก็ไม่ได้หรอกตอาที่เห็นมามันเหลือไม่กี่คนจริงๆมาอยู่ที่นี่มาสิบสี่ปีปีนี้เห็นคนทุกคนเดินผ่านสายตาเข้าๆออกๆก็ออกมาไม่ว่ากี้ไปไหนกใครก็หรอกทำไมใช่กินนิมนต์ทำไมไม่ไปไม่ได้ไปได้ทัว่วแต่ละ ก็สนุกดีอยู่ที่นี่นภาวะผู้ดูหลายสิ่งหลายอย่างบางอย่างมันก็เป็นละนะักษณะของคนพาลมาในาคำาของบัณฑิตนะบางทีก็บัณฑิตมาในคำคนพาลก็ดูสนุกดีเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้ามาอันนี้นอกตัวแต่ในตัวเราก็เยอะนะก็คือตัวปรุงตัวแต่งนะตัวความคิด มีทั้งปูงแต่งบริสุทธิ์ก็มีนะขันห้าบริสุทธิ์เนี่ยมียาดโยมเมยนะไม่ใช่ขันห้ามจะมาเป็นทุกข์นะมันเป็นธรรมชาติรูปขันรูปธรรมก็เป็นธรรมชาติของมันดินน้ําไฟลมตอนนี้อากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกแดดออกธรรมชาติภายนอกภายในสิ่งเดียวกันร่างกายเรา ม, มีน้ําเลือดของเหลวโยู่ประมาณเจถึงเจ ทางการแพทย์โลกใบนี้มีน้ำอยู่สามในสี่มีดินอยู่ส่วนเดียวแล้วมันคืออะไรก็คือสิ่งเดียวกันของเรามีระบบความคิดนะซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านะการคิดการพูดการทำเคลื่อนพลังงานต่างๆอยู่ทั่วตัวนะมันก็เหมือนกับโลกใบนีนะ้มีฟ้าร่องมีฟ้าผานะ มีฟ้าแลบมีฟ้าล่องนีฟ้าแลบมาก่อนฟ้าล่องเนีแล้วมันจะไปต่างตรงไหนกับตัวเราของเราเหรอฟ้าแลบก็มาก่อนเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมบางทีนามรูปมาก่อนแว๊บแว๊หน้าใครเอ๊ะไข่กับไข่มัอันนี้คือเสียงเนี่ยมันตามมาฟ้าแลบแป๊บครุ่ของเราอะรูปหน้าพอมาเฮ้ ใครนะใครนะเอ๊ะนี่เหตุการณ์เ น, นี่ยโอในอดีตเนี่ยเสียงก็ตามมาเหมือนกันเป็นภาษาในสมองนะั้นภาษาในสมองคือสมมุติถ้าเราเห็นความคิดเราเห็นภาษาในสมองเยอะแยะไปหมดเลยปรุงปรุ ง, รงแต่งแต่งคุยกับตัวเองเคยไหมเคยคุยกับตัวเองทะเลาะกับตัวเองไหมมุนงงอยู่ แต่เป็นลักษณะของการมาคิดเรื่องท ร, รมาภายในตัวก็เป็นวิตกวิจารณนะ์วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกาตาก็จะตามมาเหมือนกฎของธรรมชาติใบนี้แนละเหมือนเปรียบเลยนะโดยส่วนตัวจึงเชื่อสนิทใจว่าทำมาคือธรรมชาติแล้วก็เรากับธรรมชาติทั้งใบนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในโลกใบนี่ตัวสัตว์สัพ ส, ส, สิ่งเดียวกันธัตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลม ต้นเสากับเราไม่ได้ต่างกันนะท้ายสุดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดความเป็นทุกข์เกิดมาความไม่เที่ยงอนนี้จังอนนัตตาท้ายสุดอะปวกกินบมดอะหรือไปกัลมหายใจสุนแม่หรือแล้วเอาเปกองท้ายสุดเป็นดินคืนดินสิ่งเดียวเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะไม่เหมือนก็คือมันไม่มีจิตใจตอนนี้ ไม่มีจิตใจจากต้นไม้ที่มีชีวิตโดยส่วนตัวเชื่อว่ามีจิตวิญญาณอยู่ต้นจิตวิญญาณในต้นไม้มีอยู่ไม่งั้นจะรู้ได้ไงสวมอยู่ตรไหนชัยล่า ก, กมจะรู้ได้ไงจะรู้ได้ไงล้อล้อเี้สลัดใบเออะงี้ยมันรู้ไนะก็ <S <S 1> <S 1> เลยเรียกเทพาลักรู้จักเทพต้นไม้นี่มาให้ทะคุณมันไม่ได้มีโทษอะไรหรอก เพราะฉะนันบ <by> anyway, so ุรุษก็กาบังภาษามาเป็นภาษาของกุศลธรรมภาษาของอกุศลธรรมแต่ของเราปฏิบัติก็ดูเป็นอาการเฉยเฉยไม่ต้องดูเป็นกุศลอกุศลอะไรหรอกดูเป็นปรญญาต่อสภาวะเฉยเฉยรู้เฉยเฉยไปแต่รู้ไม่เฉยนะรู้แล้วเกิดบุญก็เป็นปีติตามมาแต่รู้แล้วเกิดบาปจริตก็เป็นอกุศลหดหูเศร้าซึมเบื่อเสงตามมาย เราก็ได้รู้จักขณะที่เราเคลื่อนมือรู้สึกเดินจงกลมทั้งวันเนี่ยนะมันจะไม่เห็นจะลือ้ออารมณ์ต่างๆเกิดจากตัวคิดตัวพรุงตัวแต่งแล้วก็เกิดจากการหลงไปในความคิดแล้วกเกิดจากการที่เราไม่ยอมเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวไม่ยอมเห็นกายตามความเป็นจริงนะมันก็จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องเข้าถึงกัน ในพอการครูตันความคิดเห็นความคิดดูความคิดเป็นเหมือนดูคลื่นลูกแล้วลูกเล่า ก, ก, ก็หายไปลูกแรกลูกเล่าก็หายไปเห็นด้วยปัญญาว่าทาทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่กรั่งสังเกตณนะตัวสติมันก็เกิดดับเหมือนกันพึ่งไม่ได้เอาเขาจริงแล้วนะท้ายสุดแล้วนะมันก็เป็นแค่สภาวะธรรมดาธรรมดานี่แหละ ตัวสตินะ่ะถ้าจะเพ้่งได้ก็ตอนที่มันเป็นยานขนสง่งอภัญญามาใช้จนทะลุทะลวงแตกฉานเนี่ยนะเืองตนถ้าทยสุดแล้วเนะี่ยมันก็เป็นตัวความเป็นเอง่ำนะไมถึงเราจิตมันถลำมันตกไปในซองมันจะมีช่องมันอยู่ฮนะเรียกว่าประตูใจนะถ้าเข้าประตูนี้ได้นะโอ้มันก็จะอยู่ตรงนั้นนะรูที่อยู่และบ้านของมันนะคือปกตนะิถึงตรงนีสนุก ครองตัวอย่ในแดนงานอยละแดนของกรรมฐานฉันอาหารก็เป็นกรรมฐานจะเดินไปไหนมาไหนก็เป็นกรรมฐานจะพูดก็คุยก็เป็นกรรมฐาน <m uch> มันจะรู้นอกรู้ในรู้ในรู้นอกอยู่ตลอดเวลาเวลาสมดุลมันจะรักษาสมดุลของมันโดยไม่ต้องประคองมันรู้ละเนี่ยตรงนี้ละปลอดภัยที่สุดไม่มีภัยไม่มีภัย <m uch ing> อ, อย่างนี้ก็พูดให้ฟังตามสภาพธรรมเห็ <m uch ing> นว่าท <m uch ing> ุกคนเวลาการาบพระพร้อมกัน